เมื่อก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อมาเทศที่นี่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังนะว่าการดูจิตที่หลวงปู่ดูลท่านสอนนะมันมีขั้นมีตอนมีลําดับถ้าดูจิตเป็นแล้วก็มีศีลดูจิตเป็นก็ได้สมาธิดูจิตเป็นก็เดินปัญญาได้ดนั้นการที่เราจะมาสนใจศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่เป็นเรื่องใหญ่แะเรื่องสําคัญมากเลย ครูบาอาจารย์ถึงขนาดสอนต่อๆกันมาว่าถ้าได้จิตก็ได้ธรรมถ้าเสียจิตไปก็เสียธรรมไปไม่ได้ธรรมะหลวงพ่อจะสรุปนะที่เทศไว้เมื่อก่อนเข้าพรรษานิดหน่อยพวกเราบางคนคงจะลืมไปแ ล, แล้วละการดูจิตเพื่อจะให้เกิดศีลเนี่ยทายัางไงการดูจิตเพื่อจะให้มีศีลเนี่ย เราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจของเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงําจิตได้อย่างโทสะครอบงําจิตนะนก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาอะไรอย่างนี้ได้ไปทําลายทรัพย์สินเขาได้ราคาครอบงํ า, างจิตเพื่อไปหลอกลวงเขาได้ไปปล้นไปฆ่าเขาก็ได้เหมือนกันเอ็นชู้กับเขาก็ได้ เป็นเรื่องของกิเลสท่างนั้นเลยงั้นถ้าเราหัดรู้ทันจิตใจของตนเองให้มากนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันนะสีนอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นนะัดจากนั้นเราเราก็มาฝึกต่อดูจิตแบบไหนให้มีสมาธิสมาธิมีสองชนิดสมาธิเพื่อความสงบนะเอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เดินปัญญา ถ้าแยกไม่ออกนะเราเอาสมาธิพักผ่อนไปเดินปัญญามเดินไม่ได้จริงหรอกสมาธิที่พักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวงั้นเราหัดพุดโทโธไปหดหายใจไปครับถ้าจิตมันทิ้งพุโทโธไปนะเรารู้ทันเลยนะจะกลับมาอยู่กับพุโทโธเนี่ยประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไม่เอาอันอื่นเอาแต่พุโทโธเอาแต่ลมหายใจให้จิตมันให้เกาะ ให้มันเป็นแนบเข้าไปที่ลมหายใจให้เป็นแนบอยู่กับพุโทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบนั้นทำสมถะกรรมฐานจะดูจิตอีกชนิดหนึ่งจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะใช้เดินปัญญาตรงนี้สำคัญมากเลยนะการภาวนาเนี่ยตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ย ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จริงหรือไม่ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเจริญปัญญาที่แท้จริงได้วิธีการง่ายๆไม่มีอะไรนะเราก็พุทโธไปหายใจไปเหมือนที่เคยฝึกและแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไปรวมอยู่กับพุทโธไม่ได้ฝึกให้จิตไปรวมอยู่กับลมหายใจอย่างเราพุทโธไปหายใจไปเราค่อยๆสังเกตไปพุทโธ จิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตที่ตั้งมั่นขึ้นน่ะจริงหลุดออกจากโลกของความคิดหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงที่จิตหลงไปคิดนหลวงปู่ดุลยคยสอนนะจิตคิดจิตเกิดเกิดอะไรเกิดกิเลสเนลยเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์จิตคิดจิตถูกทําลายสอนนะ้ออะไรถูกทําลายใหจิตรู้ถูกทําลายไปะ พอมีจิตคิดเกิดแล้วจิตรู้ถูกทำลายไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่หนีพไกคิดนะแล้วจิ ต, นะจตรู้มันจะเกิดมันกลับข้างกันคนในโลกเนี่ยที่ภาวนาไม่สําเร็จนะเพราะว่าจิตมันเป็นหลงอยู่ในความคิดตลอดเวลามันไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูแล้วเรามาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้ต้องฝึกอย่างนี้ ในสุดจิตนจะกลายเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้จิตดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่แการ ง, งานถ้าภาวนาแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนีใช้ไม่ได้ไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกนั้นเป็นจิตผู้เพ่งเอาไวเ้เฉยๆนี่ครับก่อนสอนมาแบบนี้นะใครจําได้บ้างนาะพออาจารย์ไปก็ทิ้งเลยเนาะ แบบเหมือนเด็กสอบเสร็จแล้วลืมนี่เรามาฝึกเรื่อยๆนะน้าจิตเราไหลไปเรารู้แล้วจิตจะตั้งมัน่นหลังจากนั้นเราจะมาเจริญปัญญาลําพังทําสมาธินะ่ะไม่มีทางได้เกิดมรรคผลนิพพานหรอกสมาธิทําไปเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนือ้อลืมตัวคนเราเวลามันหลงไปคิดนะมันลืมเนือ้อลืมตัว นึกออกไหมเวลาที่เราหนีพิกคิดเรื่องนนเรื่องนี้นะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจไปงั้นเราต้องหลุดออกจากความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะพอรู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปต้องมาหันแยกธาดแยกขันธ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูต้องหัดไม่งั้นไม่เป็นหรอกมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ตัวเราละมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ดูร่างกายเป็นนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะ เรดูไปอีกความปวดความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนกับร่างกายเรานี้จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความปวดความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูค่อยค่อฝึกเรื่อยๆไปต่อมาก็มาดูในจิตใจของเราละเอียดเข้าไปอีกนะกูสนักกูสน อ, อะไรเกิดขึ้นมาในใจเราใครรู้เราจะเห็นเลยว่ากูสนทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้อกูสนอย่างความโลภความปวดความหลงก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดู วันนี้สอนยากหน่อยนะเพราะถือว่าข่าวก่อนสอนง่ายไปแล้วต้องต่อยอดนะถ้าใครเรียนข่าวก่อนแล้วไม่ได้ภาวนาฟังคราวนี้จะยากหน่อยละช่วยไม่ได้จริงๆก็าบางคนที่ภาวนาเขาก็าต้องเลื่อนชั้นบ้างเนาะเสอนทุกวันทุกวันสอนแต่สมถะก็ไม่ไหวเหมือนกันแั้นเรามาคั้นแรกนะมารู้สึกตัวให้ได้อย่าลืมตัวเองเคยรู้สึกตัวบ่อยๆ พอรู้สึกตัวได้แล้วมหัดเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์ท่านมหาบัวท่านสอนเลยว่าไม่พี่นายแยกธาตุแยกขันธ์นี่ยมาอวดนะเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกเราต้องหัดแยกแยกกายกับใจก่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกเวทนาออกไปความสุขความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์นะไม่ใช่จิตใจโดยเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าต้องหัดอย่างนี้เรื่อยๆ หรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันเราก็จะเห็นอีกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี้ค่ฝึกไปเรื่อยอะไรอเป็นของถูกรู้ไปหมดเลยนะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมาดูจิตดูใจของเราเองจิตเราเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดสลับกันไปเรื่อยเื่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด ผู้รู้ก so like like ็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกจะให้เป็นผู้รู้ทั้งวันแต่เราฝึกจนกระทั่งเห็นเลยว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้คิดก็ไม่เที่ยงสลับกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะเห็นเลยว่าจิตทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คือการเดินปัญญาทนี้ถ้าเราจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจของเราจะทํำยังไงการเจริญปัญญาใช้ดูกายก็ได้นะใช้ดูใจก็ได้อย่างดูร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้ ถ้าจะดูจิตใจเนะี่ยดูได้หลายแบบนะความรู้สึกทางใจนะมันมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยอันนี้ตัวหนึ่งกับความปรุงดีปรุงชั่วเรียกว่าสังขารนี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าดูจิตดูจิตนะไม่ได้ดูตัวจิตเฉยเฉยไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนะการดูจิตก็คือดูความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจ อย่างหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่ดูลดูจิตอหลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตนะหลวงพ่อเรียนดูจิตจากหลวงปู่ดูลนั่นแหละหลวงปู่ดูลไม่ได้บอกว่าให้ไปดูตัวจิตตรงๆนะไม่ใช่ให้นั่งเฝ้าจิตไว้ทั้งวันไม่ให้จิตเผลอการแรกๆมาเรียนกับท่านหลวงพ่อเขาไม่เข้าใจท่านบอกให้ดูจิตดูจิตเราไปเฝ้าจิตไว้ทั้งวันไม่ให้คลาดสายตานึกว่าจะเก่งนะนึกว่าดีมาหาท่านในกุติท่านอยู่นี่แหละท่านบอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยไปแทรกแซงมันเพราะฉะนั้นเราก็ดูจิต ดูอะไรจิตบางดวงก็มีความสุขจิตบางดวงก็มีความทุกข์นะจิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นอกุศลจิตบางทีก็เป็นผู้รู้จิตบางทีก็เป็นผู้หลงไปเป็นผู้คิดไปเป็นผู้เพ่งไปเราดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่การเจริญปัญญาถึงดูกายก็เหมือนกันต้องให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกาย ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายก็ไม่ใช่การเจริญปัญญามาดูจิตใจนะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่การเจริญปัญญาเพราะฉะการเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งไม่ใช่เพ่งกายให้นิ่งต้องดูให้เห็นเลยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราต้องดูให้ได้ดูให้ได้ถ้าฟังแล้วยังจําไม่ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจนะไปฟังซีดีต่อนะฟังแล้วฟังอีก ตอนนี้คนที่ฟังซีดีนะเพราะภาวนาเป็นนะจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแนะแยกธาตุแยกขันธ์จเจริญปัญญาได้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าลงแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนะี่ยมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกถ้าขยันดูนะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะกายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันอยู่เนะี่ยอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลเลยยังอีกไกลนักหนาเลยนะได้แต่สมาธิเฉยๆนะงั้นอดทนนะถึงจะยากก็ต้องเรียนเรียนแล้วคุ้มค่านะบอกให้ตรงๆเลย การดูจิตนะจริงๆไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่อย่างหลวงปู่ดูลเวลาท่านดูจิตนะหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านมาบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจะท่านดูอะไรท่านดูสังขารคือความปรุงของจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูความปรุงของจิตสัพเพสังขาราสังขารคือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถือว่าเป็นสังขาร สัพพสัญญาสัญญาเป็นตัวจำได้ตัวหมายรู้อย่างบางทีใจมันก็จำอะไรขึ้นมานะมันนึกขึ้นมาะสัญญามันจำขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงอย่างบางทีหน้าของคนคนหนึ่งเราไม่ได้นึกนะไม่ได้เจตนาจะนึกเลยมันโผล่ขึ้นมาในใจเรานี่สัญญามันปลุงขึ้นมาแล้สังขารก็ปรุงต่อเลยคนนี้ดีคนนี้เลวนะความรู้สึกทางใจมันก็เกิดขึ้นไอ้นี่มันจะมาเทศแข่งกับเรา อยากฟังธรรมะหรือเออไหนมาที่จิตว่าไงวะใครจิตไปอยู่กับหมาบ้างถ้าตายไปจะไปไหนง่ายๆนะคำตอบรู้ตัวอย่างว่าถ้าตายแล้วจะเป็นอะไรจิตไหลไปไหนก็ไปเป็นอนั้นแหละนะรู้ทันจิตไว้นะเนี่ยหลวงปู่ดุลท่านดูสังขาร น, นะเป็นตัวหลักเลย สัญญามันเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารทํางานขึ้นมาแล้วก็ปลุงดีปรุงชั่วกุศลเกิดขึ้นในใจรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้เฉยๆจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าดูกระภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนให้ละนะท่านบอกดูกราภิกสูตทั้งหลายเมื่อจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาาะจิตไม่มีราคารู้ว่ามีมีราคาไม่รู้ทันจิตล่ะนี่แหละดูจิต หรือจิตไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆดูเราไปดูไปเรื่อยอย่างคนไหนขี้โลภเดี๋ยวเห็นเลยจิตมีราคะมีความโลภ บ, บ่อยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภพอรู้ทันความโลภก็หายไปพเผลออีกก็โลภอีกแล้วคนไหนขี้โลภนะเรามาดูจิตขี้โลภอย่างนี้ก็ใช้ได้เราก็จะเห็นเลยว่าจิตทั้งวันมีอยู่สองแบบจิตมีราคะกับจิตที่ไม่มีราคะนะดูดูเป็นคู่ ค, ค, นคนไหนขี้มโมโหหงุดหงิดเก่ง มาดูจิตที่หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาพอรู้ทันนะความโกรธก็หายไปเดี๋ยวเปลอใหม่โกรธใหม่นะพอมีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจมีคิดเนี่ยใจมีคิดก็โกรธขึ้นมาใหม่อีกพอโกรธแล้วมีสติรู้ทันนะความโกรธหายไปนะอย่างนี้ก็ใช้ได้การดูจิตไม่ใช่ดูแค่กุศลอกุศลนะลนะการดูจิตยังกว้างกว่ า, วานั้นดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ได้ แล้วการดูเวทนาเนี่ยสำคัญมากครั้งหนึ่งพระอินทร์ใครรู้จักพระอินทร์ไหมใครรู้จักบ้างมีไหมเคยรู้จักกันที่ไหนอ่ะยกมือเฉยเลยรู้จักพระอินทร์รู้จักอยู่ตามหน้าโบสถ์เราก็ได้ยินชื่อพระอินทร์พระอินทร์นี่เป็นผู้บริหารเป็นนักบริหารของเทวดาชั้นดาวดึงพระอินทร์เนี่ยเป็นคนที่งานมาก เทวดาชอบเถียงกันนะอย่างมีอาหารทิพย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเทวดาจะเถียงกันของท่านอีกองค์นึกของท่านเถียงกันอย่างนีต้องให้ใ ห, ให้พระอินมาตัดสินวพราของใครพระอินทก็บอกไม่ใช่ของผมเหมือนกันะเนี่ยไม่ถ้าไม่เหมือนชาวโลกนะอะไรเกิดขึ้นนี่ของชั้นของฉันนะพระอินในวั น, ว, นวันหนึ่งทํางานมากต้องตัดสินคดีของเทวดาเยอะเลยนะเทวดาเถียงกันบ่อยนักบริหารนะงานมากความจําสั้น จำอะไรไม่ค่อยไหววันๆหนึ่งข้อมูลเยอะนะเรื่องราวที่พระอินทร์ต้องจําเนี่ยเยอะมากเลยพระยินทร์เลยขี้ลืมมีอยู่วันหนึ่งนะพระยินอยากจะไปเล่นกีฬาในพระตจปิดกท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะไปเล่นอะไรแต่ระดับพระยินน่าจะตีกรอกใช่ไหมเอเพราะพระยินเป็นนักบริหารเนี่ยคงไม่ไปเล่นขี่มา้าทรงเมืองเล่นปั่นแปะเล่นอะไรเงี้ยถอยกองนะเสียชื่อพระยินท่ะสมมุตินะว่าพระยินจะไปตีกรอก กำลังจะไปตีกอล์ฟนะไม่ตีธรรมดานะต้องมีนางฟ้าไปบรรเลงดนตรีให้ฟังด้วยนะมีการฟ้อนลาเพื่อจะได้มีความสุขมากๆเพราะบุญเยอะแต่ว่าพระอินทเนี่ยพอจะไปตีกอล์ฟนะเกิดสงสัยในธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งเลยบอกพวกนางฟ้าให้หยุดก่อนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าก่อนพวกนางฟ้าก็าสงสัยว่าทําไมต้องรีบไปถามบอกไม่รีบไม่ได้นะเดี๋ยวลืม เออเนี่ยขี้ลืมนะท่านก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันท่านถามบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นได้อย่างรัดสั้นที่สุดเนี่ยนักบริหารไม่เอายาวต้องเอาง่ายๆต้องเอาสั้นๆรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะเนี่ยนักบริหารต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบ บอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเนี่ยคือแก่นคําสอนของท่านที่ท่านอาจารย์พุทธทาสชอบเอามาพูดนะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นคำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรบ้างก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองนะกายใจเรานี่แหละไม่ควรยึดมั่นอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานไม่ควรยึดมั่นแต่ยึดมั่นนิพพานก็ไม่นิพพานนะเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่ มีความยึดมั่นอยู่นะหัวใจเลยแก่นแท้ของคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านพูดด้วยตัวของท่านเองตอบพระอินว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี่แหละคือหัวใจคําสอนในพระพุทธศาสนาแล้วทําอย่างไรถึงจะเข้าถึงธรรมอันนี้ได้ถึงจะไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุรู้สึกทุกข์นั่นเอง งั้พวกเรามาหัดดูเวทนาไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าจิตของเ ร, เรารู้สึกตัวแล้วใจไม่ลอยใจไม่ลอยไม่หนีลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันอนะ่ะเราคอยรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวไว้แล้วเราคอยรู้ความรู้สึกในใจของเราใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดียเเด๋ยวก็เฉยเฉยทั้งวันมีอยู่สาแบบนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเยมีอยู่สาอย่างนี้แหละเวียนอยู่ในใจของเราทั้งวันเลย การที่ตามรู้เวทนานะเวทนาเกิดจากอะไรความสุขความทุกข์เนี่ยความเฉยๆเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ตาเรามองเห็นอย่างตาเรามองเห็นอย่างนี้เราเกิดความสุขตาเรามองเห็นอันนี้เราเกิดความทุกข์หูเราได้ยินเสียงอย่างนี้เรามีความสุขหูเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์จมูกเราได้กลิ่นอันนี้มีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความทุกข์ลิ้นเราได้รสอย่างนี้นะมีความสุขความสุขเกิดที่ไหนที่ใจนะ ลิ้นบางกระทบรถบางอย่างใจเป็นทุกข์ไม่ชอบนะร่างกายกระทบสัมผัสยังยุงกัดมีความสุขไหมยุงกัดร่างกายกระทบสัมผัสไม่ชอบเห็นไหมมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้ามีอะไรสบายอากาศกำลังร้อนนะ้ลมเย็นๆพัดมากระทบผิวกายมันมีความสุขเกิดขึ้นที่ใจเวลาเราคิดก็เหมือนกันเราคิดเรื่องนี้ก็มีความทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความสุขขึ้นมา การที่คอยรู้ทันความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนี่แหละการดูจิตชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ดูแค่ว่ามีราคาตัวสามโมหะหรอกดูดูเวทนาที่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านสอนให้ดูสังขารคือดูความปลุงดีปลุงชั่วนะที่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระอินทร์ฟังเนี่ยท่านสอนให้ดูเวทนาบอกอันนี้สั้นที่สุดเลยนะ เพาะอไรเพราะถ้ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะใจเราจะหลงยึดถืออย่างเรายึดในร่างกายของเราเนี่ยเราคิดว่าร่างกายนําความสุขมาให้นะถ้าเราเห็นว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราจะไม่ยึดถือเรายึดถือในจิตใจของเรานะาเป็นนั่งสมาธิจิตสงบสว่างสบายเราพอใจในความสุขความสบายของจิตใจนี้เราก็ติด อ, อกติดใจเระสร้างพบสร้างชาติของนักปฏิบัตินะตายไปไ ป, ไปเป็นพระรมนะยังยึดมั่นอยู่ไม่ใช่ไม่ยึดมั่น ความสุขความทุกข์นั่แหละที่เกิดขึ้นในใจนี้แหละทําให้เกิดตัญหาทําให้เกิดความอยากพระท่านจะสวดกันนะว่าเวทนาปัจจะยาปัญหาเวทนาเป็นปัจจัยของตัญหาถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมันก็อยากได้อยากให้มีบ่อยๆนะอยากให้มันไม่หายไปถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะก็อยากให้มันดับเร็วๆอยากให้มันไม่เกิดอีกอยากให้ไม่เจอกันเลยนะ เพราะฉะั้นตัวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละเป็นต้นต่อให้เกิดตัณหาขึ้นมาให้เกิดความอยากขึ้นมาพอมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนใจมันจะดิ้นรนเลยสังเกตไหมเวลาใจเราอยากขึ้นมาใจจะดิน้นนะไม่ได้อยากเฉยๆนะสังขารจะปรุงทันทีเลยถ้าใจมีตัณหาขึ้นมาสังขารจะปรุงใจจะดิ้นรนปรุงแต่งไปใจจะเข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมา ใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยสอนบอกให้ดูเวทนาเนืองเนืองนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความสุขเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้ทันพวกเราฝึกนะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วละ่ะนะง่ายถ้าดูสังขารมันจะมีเยอะนะสังขารฝ่ายที่เป็นกุศลก็มีเยอะฝ่ายอากุศลก็มีเยอะ แต่ถ้าเราดูเวทนาอย่างนีนะ้มีนิดเดียวมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆแค่นี้เองนะแล้วการที่ตามรู้เวทนาเนืองเนืองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าเวทนานุปัสติสนะีตามรู้เวทนาเนืองเนืองถ้าตามรู้เวทนาเนืองเนืองท่านบอกเลยสิ่งที่จะได้มานะคือวิราคานุปัสสีวิราคะก็คือความสิ้นตัญหานะจะเห็นตามเห็นเลยความสิ้นตัญหามจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราว เราก็จะไม่หลงไปในความสุขถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าความทุกข์เป็นของชัวงว่วคราวเราก็จะไม่หลงไปกับความทุกข์ใจจะคลายความอยากออกเมื่อใจคลายความอยากออกเต็มที่นะนิโรธานุปัสสีคือนิรโรธนะเราจะเห็นนิรโรธเห็นไหมง่ายัหมดูเวทนานะจนกระทั่งเห็นเลยเวทนานี้มันไม่เชียงนะมีเวทนานุปัสสีนะ แล้วด ja ูไปเรื่อยเลยเห็นเวทนาเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยการที่เห็นเวทนาสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับเนี่ยท่านใช้คําว่าอนิจจานุปัสสีมีเวทนานุปัสสีนะมีแล้วจะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสีถ้าใจเรายอมรับความจริงแล้วว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความอยากมันจะหายไปจะมีวิราคานุปัสสี ถ้าจิตหมดความอยากเมื่อไหร่เราจะเห็นพระนิพพานเพราะพระนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความอยากนะก็จะตามเห็นนิโรธเรียกว่านิโรธานุปัดสีเมื่อถึงจุดนี้นะจิตเข้าถึงนิโรธแล้วจิตจะรู้เลยว่ารูปนามทั้งหลายนี่ทุกล้วนๆเลยนะถ้าเห็นนิโรธเราก็จะรู้เลยรูปนามคือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยขันห้ากายใจนี่มีแต่ทุกล้วนๆเลยจิตมันจะสลัดความยึดถือในรูปนามในกายในใจของเราทิ้งนะการสลัดคืน รูปนามทิ้งไปเนี่ท่านเรียกว่าปฏิสักการณ์นุกปฏิสนะีเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกตรงนี้สั้นที่สุดละนะเพราะงั้นพวกเราหัดนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อตาเรามองเห็นมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันเมื่อตาเรามองเห็นมีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันเนะมื่อตาเรามองเห็นใจมันเฉยๆก็รู้ทันเนะมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกาย ก, ายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดใจนึก ความสุขเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นในใจคอรู้ทันฝึกแค่นี้แหละนะถึงวันหนึ่งนะใจจะคลายออกนะคลายความยึดถือเพราะมันเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวไม่รู้จะยึดไปทํำอะไรไม่รู้จะดิ้นรนไปหามันทำอะไรมันอยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวไม่เห็นจะต้องเกลียดมันทุกวันนี้เราเกลียดทุกข์รู้สึกไหมพอความทุกข์เกิดขึ้นเราจะดิ้นใจเราจะดิ้นอยากหนี ความสุขเกิดขึ้นใจเราก็ดิ้นอยากได้ใจมันดิ้นถ้าใจดิ้นเมื่อไหร่นะใจอยู่ไกลนิพพานใจเลิกดิ้นน่ะใจอยู่ใกล้นิพพานแต่อยู่ๆไปประคองจิตให้ไม่ดิ้นไม่ได้นะหันนั้นนิพพานปลอมนิพพานปลอมคือประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่ทางะจะต้องเห็นทุกข์นะต้องมารู้ทุกข์ลงไปในจิตในใจของเรานี้แหละในกายในใจในธาตุในขันนะ ถ้ารู้ทุกแจมแจ้งแล้วใจเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยถึงจะเลิกดิ้นจริงๆเลิกดิ้นด้วยปัญญาถึงจะพ้นได้ถ้าเลิกดิ้นด้วยสมาธิเป็นประคองจิตไว้หมดแรงประคองมันก็ดิ้นใหม่เพราะฉะนั้นมันนั้นมันเป็นนิพพานแบบปล่มนะยังเสื่อมได้แต่ถ้าเราตามดูไปนะความสุขก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยใจมันจะเลิกดิ้นเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างของชั่วคราวก็จะเห็นเวทนานุ ป, ปัสสีนะเห็นอนิจจานุ ป, ปัสสีนะ เห็นวิราคาคือการวิราคะการคลายออกวิราคาโนปัสสีเห็นนิโรธาตามเห็นนิโรด น, นิโรธานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้โลกตอนที่บรรลุภาพอราหันเนี่ยมันเหวี่ยงจิตกระเด็นไปเลยนะมันเหวี่ยงตัวรู้กระเด็นทิ้งไปเลยงั้นหลวงพ่อมาเรียนเกี่ยวกัหลวงปู่กลางสุดท้ายนะตอนนั้นเราภาวนาไม่ถึงหรอกแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่อยู่แล้วสาสิบวันก่อนท่านจะมารณภาพมาหาท่านตอนบ่ายนะ ท่านสอนสอนท่านสอนไม่เลิกเลยตนะ้นนั้นท่านสอนอยู่งั้นน่ะจนค่ำนะท่านหอบผู้เท่าอีกสามสิบหกวันก็มรณะภาพแนละ้วท่านสอนจนท่านหอบหอบหอบหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงปู่ผมต้องกราบลาแล้วหลวงปู่เลยเต็มทีแล้วท่านบอกยังไปไม่ได้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พบจิตให้ทํำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนตรงนี้จําจไว้นะ ครับผมจะจำไว้ไม่เข้าใจหรอกแต่จะจำไว้เออจำแล้วไปได้วันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็ถามบอกว่าง่ายนัดปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกว่าเมื่อเจ็ดวันก่อนหน้าเนี้ยท่านมาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกท่านว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วท่านก็ขยายความให้หลวงพ่อกนละัวหลวงพ่อบ้าคืบ อ, อยู่อยู่เราไปทําลายจิตทําลายผู้รู้นะัก็เพีย้ยนสิท่านบอกความหมายของหลวงปู่ก็คือไม่ยึดจิตความไม่ยึดมั่นในตัวจิตนั่นเองถ้นะาเมื่อไหร่เราไม่ไม่ยึดมั่นจิตมันจะไม่เป็นยึดอะไรในโลกอีกละแล้วนะท่านก็บอกต่อว่าคุณกับอาตมามาทํากติกากันใครทําได้ก่อนให้มาบอกกันนะหลวงพ่อทําไม่ได้หรอก ท่านทำได้เราทำไม่ได้นะก่อนท่านมารณภาพไม่นานไปเจอท่านนะบอกท่านหลวงพ่อผมยังทำไม่ได้เลยนะท่านก็ขยายให้ฟังบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองลูกไก่ตัวนี้โตเต็มที่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเองปัญญาที่แก่รอบที่สุดเลยถึงที่สุดของปัญญาเลยก็คือ การได้เห็นความจริงว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นได้ธรรมะได้ขนาดนี้เราจะเห็นแจ้งเลยว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นตัวทุกข์กระทั่งตัวจิตผู้รู้ที่ว่าเป็นของดีของวิเศษเนี่ยอาจารย์มหาบัวเรียกว่าจิตอวิชาตัวเนี้ยตัวจิตผู้รู้หลวงปู่เทศนะเปคขี่ท่านท่านเรียกจิตต้นกําเนิดเลยตัวเนี้ย เป็นต้นต่อของการสร้างพบสร้างชาติเลยตอเมื่อเรารู้ความจริงนะว่ามันเป็นก้อนทุกข์แท้ๆนะจิตจะสลัดคือจิตให้โลกตัวนี้เรียกว่าปฏิสัขานรปัิสีนะสลัดทิ้งจริงๆนะสลัดให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยจะไม่ยึดอะไรนะนี่พวกเราทำนะเวลาปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติเนี่ยสังเกตอยู่ที่ใจเรานี่เลดูจิตดูใจของเรานี่แหละ เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้เนืองๆรู้บ่อยๆก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆก็ชั่วคราวเห็นตรงนี้เนืองๆนะใจจะคลายความยึดถือออกไปเองถ้าใจหมดความยึดถือเมื่อไหร่ก็เห็นพระนิพพานเป็นพระรยาบุคคลถ้าเป็นพระรยาบุคคลเต็มรอบนะตัดสี่ครั้งที่สี่นะสลัดคือจิตให้โลกนะ ครั้งที่สามจะสลัดคืนกายให้โลกครั้งที่หนึ่งที่สองยังไม่คืนอะไรแล้วทําเป็นวางแล้วก็หยิบเอามาใหม่อีกเพราะปัญญายัางไม่พอเห็นทุกข์ไม่พอเพราะฉนั้นถ้าเห็นทุกข์ถึงจะได้ธรรมะนะถ้าอยู่ๆไปประคองจิตให้ว่างๆบอกว่านี่นิพพานนิพพานนิพพ า, านจอมปลอมะกิเลสยังซ่อนอยู่ น, นี่พระพุทธเจ้าท่านตอบพระอินท่านตอบสั้นนิดเดียวท่านบอกว่าให้ตามรู้เวทนานเรียกเวทนานุปัสสี นะก็จะเห็นอนิจจาอนิจจาความไม่เที่ยงของเวทนานะแล้วก็จะเกิดวิราคะวิราคะนุปัสสีตามเห็นวิราคะแล้วก็ตามเห็นนิโรธาคือเห็นนิโรธแล้วก็จะตามเห็นการสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนี่ปฏิสขานุปัสสีถ้าอินได้ฟังเท่านี้นะสาธุเสียงดังเลยไม่ซักอะไรสักคำเลยสาธุเสียงดังเลยรีบไปตีกรอบเพราะ่าว่าในวัดเชตวันนะ มีพระที่มีฤทธิ์เยอะมีหลายองค์ที่มีฤทธิ์แต่องค์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดใครองค์ไหนมีฤทธิ์เยอะที่สุดพระโมคคลาพระโมคคลาเนี่ยท่านได้ยินพระอินถามพระพุทธเจ้าท่านได้ยินพระอินสาทุเสียงดังเลยแล้วก็ลาไปแต่ท่านไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าตอบเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจงใจตอบพระยินไม่ได้จงใจตอบเป็นสาธารณะนะไม่ได้ออกลําโพงอย่างนี้นะ พระโมคคลลาไม่ได้ยินเกินปู่มนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ฟังเขาไม่ได้ยินหรอกพระโมคคลลาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตอบอะไรท่านมีฤทธิ์เยอะเนี่ยท่านขึ้นไปดาวดึงเลยพระอินทนระ์กําลังร้องลําทําเพลงจะไปตีกอล์ฟอยู่แล้วนะพอเห็นพระโมคคลลามาแต่ไกลรีบบอกนางฟ้าหยุดหยุดหยุดอ ย, ยวเพิ่งเล่นดนตรีเหมือนพวกเราที่มารยาทดีพอพระไปก็หยุดร้องลําทําเพลงนึก อ, ออกไหมแต่พวกมารยาทไม่ดีเห็นพระไปมิยังร้องลําทําเพลงอยู่นะ เมื่อเช้าหลวงพ่อมานะไปแวะพักกลางทางะมีเจอขี้เมาโอ้ยมันกินเหล้านะเสียงดังด้วยร้องเพลงด้วยนะแล้วมันบอกมันร้องให้พระฟังน้อยมันร้ อ, ง, อ ง, งเองฟังเองไม่มีใครฟังมันบอกมันร้องให้พระฟังะ <c> เ <oughs> นี่ยพระอินไม่ทําตัวยอย่างนี้พระอินจะหยุดห ย, ยุดไม่ไม่ร้องพระโมคคลาเข้าไปถามบอกว่าพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงพระอินบอกว่าอะไรดูไหมผมลืมไปละ ก็เกลี้ยกล่อมลืมอ่ะแกลี่ไปถามพระพุทธเจ้าแนะเพราะกลัวลืมนะแล้วถามเสร็จกลับมาลืมไปละ mm hmm. เพราะว่าใจเนี่ยจดจ่ออยากไปเล่นกีฬานานๆจะได้พักผ่อนสักทีพระโมคคัลลาท่านใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านใช้กระสินกสินน้ํานะเพ่งใส่รากฐานของปราศาสตรอย่างตอนนี้ควรกรุงเทพไม่ต้องเล่นกระสินน้ําเลยนะน้ําไปอยู่ใต้ตูนบ้านเต็มไปหมดละนะบ้านไหวเนี พอใต้ประสานเป็นน้ําเนี่ยท่าเอาหัวไม่เท้าสกะกิดประสาทของพระอินทร์สะเทือนเลยเหมือนเรือออกแรงนิดนึงนะเรือก็ไหวนะ้วพระอินเกิดความสลดใจนะรู้สึกว่าประสาทของเราใหญ่โตขนาดนี้นะยังไม่เที่ยงเลยพอเกิดความสลดใจหายกระดีกระดาเรื่องจิตติกอบนะพระโมคคลลาก็ถามอีกพระพุทธเจ้าว่ายังไงจําได้แล้วครับจําได้แล้วกลัวประสาทฟังนะจําได้เลยเออ เล่าให้พระโมคคัลลาฟัางนะท่านมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระยินตอบถูกไหมบอกถูกความเป็นจริงนะพระโมคคัลลาเองเคยถามพระพุทธเจ้าด้วยคําถามนี้มาแล้วนะก่อนที่ท่านจะบรรลุพระอระหันต์นะท่านเคยถามพุทธเจ้ามาแล้วว่าอะไรเป็นธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาของท่านนี้แล้วทําทอย่างไรจะเข้าสู่ธรรมอันนี้ได้ท่านก็สอนเลยสัพเพธรรมานารางอภินิเวศญาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น แต่เราไปยึดมั่นในธรรมทั้งหลายท่องปลวกเพราะเห็นว่ามันนําความสุขมาให้เพราะเห็นว่ามัน น, าาานํานนความทุกข์มาให้เวลาทุกข์ยึดไหมเวลาทุกข์ก็ยึดนะอยากให้มันหายแต่ต่อเมื่อเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนั้นแหละถึงจะไม่ยึดนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเห็นว่าทุกข์เฉยๆแล้วอย่างคนเจ็บคนป่วยนะก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทุกแทบตายก็ไม่เป็นพระอรหันต์สุดท้ายทุกจนตายทุกคนเลยไม่เห็นมีใครเป็นพระอรหันต์เล พงั้นเรามาหัดดูนะหัดดูจิตดูใจของเรานี่แหละจะดูกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจก็ได้จะดูกุศลที่เกิดในใจก็ได้แค่จะเห็นว่ากิเลสก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวงนะต่อไปใจก็เป็นกลางไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นนะเข้าไปที่เดียวกันคือหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งของจิตนะหมดความอยากนั่นแหละหรือจะดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆในจิตก็ได้ดูเข้าไปเรื่อยๆนะนี่แหละการดูจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตตรง หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่นะคหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนอ่ะนึกว่าท่านจะบอกว่าจิตอยู่กลางหน้าอกนะเห็นมันไหวๆขึ้นมาตรงนี้ท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งเอาแล้วสิจิตไม่มีที่ตั้งเพราะนาตั้งนานนะถึงจะรู้จิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั่นเลยไปตั้งอยู่ได้ยังไงมันของไม่เที่ยงมันเกิดตรงไหนมันก็ดับแนละ้ยไม่ตั้งอยู่ถาวรตลอดวันตลอดคืนจะเมื่อไหร่หละ่ะพอไหวไหมภาวนายอย่างนี้ง่ายจนไม่รู้จะ ง, ง่ายยังไงแล้วนะ โอ้ความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความเฉยๆเกิดขึ้นรู้ทันดูสามัญเองเราดูไปทั้งวันเลยเราเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวแค่นี้แหละฝึกไปแค่นี้นะอย่าว่าแต่โสดาเลยเป็นพระอรหันยังได้เลยพระโมคคัลลาภาษารีบุตรก็ได้มาด้วยธรรมะอันนี้เองท่านรู้เรื่องเวทนานี่เองงั้นเราพวกเราฝึกนะเป็นไงคุ้มกับการนั่งรอไหม จะคุ้มมากกว่านั้นนะถ้าทำฟังเฉยๆก็ม้วนเฉยๆนะฟังนิทงนิทานอะไรเงี้แกงง่วงไปอย่างั้นเองอ้าววันนี้เท่านี้ก็พอนะวันนี้วันนี้ไม่มีส่งกันบ้านหรอกมันดึกแล้ว